บันทึกที่2การช่วยการแกล้งของพระอินการช่วยเหลือของพระอินนั้นดูเหมือนจะไม่ใช่เกิดจากเพียงคุณธรรมเท่านั้นแต่แทบจะถือเป็นหน้าที่ทีเดียวเพราะมีข้อกำหนดกำกับอยู่ด้วยคือการที่อาจร้อนคืออาสนะร้อนเป็นสัญญาณเตือนเรื่องอาจร้อนนี้ก็น่าจะเป็นหลักฐานอย่างหนึ่ง ที่แสดงถึงช่วงต่อของความเปลี่ยนแปลงจากการถูกบีบคั้นด้วยแรงตะบะหรือการบำเพ็ญพรดแบบเก่าหันมาเน้นในแง่ที่คุณธรรมความดีของคนเป็นแรงเร่งเร้าแทนและพระอินในระยะช่วงต่อนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับพลังบีบบังคับที่เกิดจากตะบะแบบเก่าอยู่ด้วยในสถานการณ์บีบบังคับแบบเก่านั้นการปฏิบัติของพระอิน ก็ามักจะเป็นไปในรูปของการแข่งขันชิงชัยชิงอำนาจกับมนุษย์แบบโลกโลกที่ติดมากับระบบเก่าเช่นพยายามหาทางทำลายตบะของมนุษย์เป็นต้นซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่วิธีการแห่งคุณธรรมตามคติของพระพุทธศาสนาเช่นโลมาสกัสปะชาดกอลรามพุษาชาดกนิลินิกาชาดก ส่วเรื่องที่เข้าสู่คติของพระพุทธศาสนามากบ้างน้อยบ้างมีมากมายหลายเรื่องเช่นในมหาสุวราชาดกกันหะชาดกอกิตติชาดกสุรุจิชาดกสีวิราชาดกสัำพูลาชาดกอุสชาดกเตมิยชาดกเวสันดรชาดกเรื่องพระจักคูบาลเรื่องสัมมเนนและอื่นๆอันหนึ่งพึงสังเกตด้วยว่า ตามเรื่องในชาดกเหล่านี้เมื่อพระอินทร์จะช่วยนั้นมีใช่จะช่วยง่ายๆโดยมากมักจะมีบททดลองก่อนเพื่อตรวสอบว่ามนุษย์คิดทำดีนั้นมีความแน่วแน่มั่นคงในความดีนั้นแท้จริงหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าแสดงกติทางพุทธศาสนาอย่างสำคัญจัดเข้าในทศชาติคือมหาชนกชาดกตามเรื่องว่าเมื่อเรือแตกกลางทะเล คนทั้งหลายหวาดกลัวร้องไห้วอนไหวเทวดาต่างๆพระโพธิสัตว์ผู้เดียวไม่ร้องไห้ไม่คร่ำครวญไม่วอนไหวเทวดาคิดการต่างๆตามเหตุผลและเพียรพยายามสุดกำลังในที่สุดมานีเมฆขลาเทพทิดารักษาสมุดมาช่วยเองตามหน้าที่ของเทวดาอันหนึง่งนอกจากตรวจดูเองแล้ว พระอินยังมีท้าวโลกบาลเป็นผู้ช่วยคอยส่งบริวารมาตรวจดูความประพฤติของชาวโลกไปราย ง, งานให้ทราบด้วยซึ่งมีมาในอังกุตรนิกายติการนิบาทพระไตปิโดกเล่มยี่สิบ